ชาวนี้เราั ง, งพทุทเถียนอิตสุโภก็พยายามคิดจะนิ ม, มนต์หลวงพ่เถียนมาทุกเช้านะรัวัเถียนบ้างหลวงพ่อคำเขียนบ้างหรือครูบาอาจารย์ที่ในที่ท่านพูดถึงเรื่องสติแบบเคลื่อนไหวมาให้หลัก ที่ถูกต้องเวลาเราปฏิบัติจะได้ไม่ผิดพลาดเพระหลักการอันนี้ถ้าเราทําอย่างถูกต้องแล้วมันจะไหวมากแล้วก็ได้ผลชัดเจนดันช่งชวงเช้านี้เราจรึงนํามหาเศรษิีประธานสูตรมาสวดเพื่อเป็นหลักเทียบว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้านํามาสอนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะ จะช่วงเช้านี้เรานำเอาหมดกายมาสวดให้ฟังในสถิติฐานสูตรในหมดกายเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องอนาปา่าแล้วก็ความจริงไว่นในเรื่องอนาปานาในเรื่องกายเนี่ยท่านเน้นไว้ตั้งไว้หกหมวดในการสังเกตในการกำหนดรู้หลักทางกายเนี่ท่านตั้งไว้หกหกหมวด แต่คนส่วนใหญ่จะบรูุ้หมดเดียวคือหมดที่หนึ่งนะแต่หมวดที่สองถึงหกเนี่ยเราไม่ค่อยนํามาแจงกันเลยคนเลยไปติดแค่หมดที่หนึ่งคือหมดที่สองถึงหมดที่หกเนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้ไปกับหมวดที่หนึ่งคือหมดอนาปาเนะี่ยองค์พระเทียนท่านใช้กา ย, ยานุปัสนาท่านใช้หมดที่สองที่สามท่านไม่ใช้หมวดที่หนึ่งเพราะอะไร เพราะหมดที่หนึ่งถ้าได้ลองฝึกฝนได้ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะกับอินทรีย์ของคนไทยจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะอะไรเพราะเป็นกรรมฐานที่ละเอียดเกินไปนะอนาปาเป็นกรรมฐานที่ละเอียดเหมาะสําหรับผู้ที่มีสติสัมปชัญญะปัญญาขันานข้นอัจฉริยะนะขั้นอัจฉริยะทีเดียวแต่พวกเราท่านๆเนี่ยอย่างน้อยก็เรียกว่าปานกลางหรือค่อนข้าง ตเนี่ยต้องใช้หมดตั้งแต่หมดที่สองไปถึงหมดที่หกนะซึ่งเราจะสวดเป็นลำดับไปเพื่อจะให้ครอบคลุมว่าหลวงพ่อเทียนท่านนำหมดนั้นมาสอนแล้วเวลาเราไปพบกับกลุ่มอื่นสายอื่นมาทักท้วงเราว่าในพิธีการหลวงพ่อเทียนไม่มีเลยก็าจะไิดกเราก็สามารถจะบอกได้ว่ามันอยู่ที่ไหนที่ว่าไม่มี เขาบอกได้เลยว่าในหมวดกายยานุปัสนาสีปทานในหมวดที่สองและที่สามว่าด้วยเรื่องของอินิบุบทสี่และอินิบุตรย่อยมาบวกกันเป็นการเคลื่อนไหวแบบนี้ในยบุตรสี่ก็คือยืนเดินนั่งนอนที่เราจะเริ่มต้นสวดวัคคัชชนโตวคัคขะมิติปชานาติทิโตวาทิโตมหิติปชานณตินิสินโนวานิสินโนมหีติปชานาติ สยาน О วาสยาน О มีติประชาณติภิกษุเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่หราผู้ปฏิบัติก็ได้ผู้ปฏิบัติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เมื่อเดินนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่เมื่อ น, อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่อันนี้หมวดที่สองนะก็เรียกบดอิริบทสี่ยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวชัดๆเนี่ยซึ่งมัน มันยากและมันชัดกว่าลมหายใจมากแต่ในยีนีบทสี่นี้ก็มีหมวดที่สามตามมาเรียกยีนีบทย่อยท่านใช้คำว่าสัมปชัญญะปปะพระหมวดที่สองนั่นใช้คำว่าอิริยาปบถปปะพระมรหมวดที่หนึ่งท่านใช้ว่าอาณาปนะปปะพระรทั้งหมดมันมีหกบักหกฉบับด้วยกันมาบรรทึะ <c oughs> ในหมวดกายดังนั้นเพื่อเราจะได้มีหลักฐานแก้เขาว่าเออคุณปฏิบัติอย่างเนี้ย มันไม่มีไม่มีในพระไตรปิฎกมันไม่ใช่มันมีแต่คุณอ่านไม่ถึงต่างหาน่ะคุณอ้างตามคำพูดของครูบาอาจารย์ของคุณต่างหากแต่ว่าหมวดที่สองที่สามของอาณะของกายานุปัสนาคุณไปดูว่าจะมีว่าในหมวดที่เรายกมือนี้คือหมวดที่สามที่ชัดก็คืออภิกันเตปฏิกันเตสัมปชาญญกาลีโหติเมื่อผู้ปฏิบัติ เดินไปข้างมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเดินไปข้างหน้าคือเดินจงกรมและการถอยกลับมาข้างหลังบางครั้งเราเดินไปข้างหน้ามันเกิดความเคยชินและเบื่อเราก็เดินถอยหลังบ้างแต่การเดินกลับไปอีกทิศทางหนึ่งกับเดินถอยหลังนั่นคะอย่างเราเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินกลับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอภิกันเตะแต่พอเราเดินไปข้างหน้าแล้วเราไม่กลับแต่เราถอยหลังกลับนี่เรียกว่าปฏิกันเตะซึ่งจะให้ความรู้สึกต่างกัน ก็ไปลองดูก็แล้วกันนะแล้วก็ในอิริยาในสัมปชัญญปพักข้อต่อมาบอกว่าอะโรกิเตวิโรกิเตสัมปชัญญากาลีโหติผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแลในการเหลียวแม้แต่เหลียวซ้ายไหลขวาเนี่ยก็ตั้งตั้งความรู้สึกตัวนะมันจะตามบุติเราจะแลจะเหลียวด้วยความเคยชินใช่ไหมคอ เราจะไปหน้าเราจะไปโดยไม่รู้สึกตัวเลยแต่เมื่อเรามาจเจริญสัมปชัญญปะปาพาแบบนี้แล้วเนี่ยต้องรู้ให้ชัดชัดก่อนที่จะแลไปเหลียวไปทุกอย่างต้องซักซ้อมนะถ้าไม่ซักซ้อมเราไม่สามารถที่จะสำลอกความเคยชินของเราได้ซักซ้อมบ่อยๆซักซ้อมแลเหลียวบ่อยๆแลเหลียวแบบไหนที่ขาดสติแส่เหลียวแบบไหนที่มีสติซักซ้อมบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินแบบใหม่ขึ้นมา แลเหลียวก้มเงย <c oughs> หมวดที่สามได้บอกว่าปาสาลีเตสัมมินชิตสัมมินชิตเตปาสาลิเตสัมปชานาการีโหติผู้ปฏิบัติให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคูการเหยียดไอ้ว่าตรงนี้ชัดเลยการคูการเหยียดไอ้ว่าหมายถึงการยกมือสร้างจังหวะที่ที่หลวงพ่อเห็นนนำมาดัดแปลงเป็นจังหวะการคูเข้าเหยียดออกคูข u, เข้านะการเหยียดออกสัมมินชิตเตคูข u, เข้า ปาษาลิเตยัยดออกซึ่งการคู่เข้าเยยดออกท่านใช้ทั้งสองแขนแล้วทำเป็นจังหวะได้ถึงสิบสี่จังหวะตรงนี้เป็นการซอยให้การคู่การยยดให้ละเอียดขึ้นกลายเป็นสิบสี่จังหวะนะแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยอันนี้อ้างได้เลยนะคุณไปดูหมดด้วยว่าสัมปชัญญปะปัพพะข้อที่สามสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมปชาญากาลีโหติ ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกตัวท่วพร้อมในขณะหูแขนเข้ามาและเหยียดแขนออกไปก็คือการทําเป็นจังหวะนั่นเองนะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องว่าว่าจะมันไม่ถูกเลยไม่ใช่แล้วเขาอ่านไม่ถึงแล้วเขาจำ <c oughs> อ่านไม่ถูกต่างหากที่เขาก็ทักทวงมาถ้าเราต้องแก้เข้าไปแบบนั้นแล้วก็หมวดต่อมา สังาติปัตตะจีวราธาระเนสัมปชานาการีโหติถ้าเป็นนักบวชท่านก็บอกว่ามีความรู้สึกตัวท่วพร้อมในการทรงสังคติบาทจีวอนแต่ถ้าเป็นชาวบ้านมีความรู้สึกตัวท่กพร้อมในการแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนสวมเสื้อผ้าการจัดเสื้อผ้าการนุ่งการห่มการถือให้มีความรู้สึกตัวท่วพร้อมในการนุ่งการห่มการถือ ซึ่งถ้าเราไม่มีหมวดนี้เนี่ยเราการนุ่งการห่มการถือการแต่งเนื้อแต่งตัวของเราก็เป็นไปได้วยความเคยชินขาดสติตลอดเวลาแต่ถ้าเราจะซักซ้อมกับตัวเองบ้างเริ่มตั้งแต่เราอ า, อาบน้ำแต่งตัวเราขยับขยื่นเคลื่อนกายแบบไหนให้รู้ทุกขณะอันนี้ต้องฝึกซ้อมนะเพราะอะไรความ รู้สึกแบบนี้และอาการการเคลื่อนไหวแบบนี้ตลอดชีวิตของเรานั้นคือความเคยชินจนแทบเป็นอัตโนมัติทีเดียวเรารีบแต่งตัวเพื่อจะไปงานรีบแต่งตัวเพื่อที่จะไปปฏิบัติรีบแต่งตัวเพื่อที่จะไปสวดมนต์อะไรเนี่ยแต่ว่าขบวนการที่เราข้ามขั้นตอนตรงนั้นะเป็นการขาดสติอย่างรุนแรงทีเดียวว่าเรารีบเร่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามานี่เจ็ดวันไม่มีอะไรต้องรีบเร่งเลยทุกอย่างต้องเริ่มนาบและ ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเพื่อฝึกทวนกระแสของความเคยชินเพราะเราอยู่ที่บ้านนั้นความเคยชินครอบงมเราอยู่ตลอดชีวิตน่แต่การมาเข้าคอร์สเข้ามาร่วมภาวนาร่วมกันมันมีผลดีตรงนี้คือเรามีสังฆะคือเพื่อนนักปฏิบัติเป็นสังฆะและสังฆะนี้ก็จะเป็นแบบอย่างของกันละกันเราก็จะได้สังเกตบางคนมีสติมากทาอะไรชัดเจน <c oughs> แล้วก็นุ่มนวล บางคนมีสติน้อยค่อนข้างอย่รวดเร็วบางคนมีสติน้อยลงไปอีกค่อนข้างอย่หุนหันพลันแล่นบางคนมีสติน้อยลงไปอีกไม่รู้สึกตัวเลยในการเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นกันอะกันแล้วก็จะเรียนรู้ความถูกผิดของกันและกันและจะเรียนรู้แบบอย่างที่ดีที่ไม่ดีของกันและกันได้นี่ประโยชน์ัองกันมาร่วมคอร์สร่วมสังฆะเพราะเราสามารถเป็นแบบอย่างเป็นกาลังใจของกันและกันนะ แล้วก็ในหมวดต่อมาท่านบอกว่ า, างไงอุจาระปิศาวะกะเมสัมปิชานาการีโหติผู้ปฏิบัติพึงทําความรู้สึกัวทั่วพร้องในการถ่ายอุจาระปิศาวะเห็นไหมละเอียดถึงขนาดนั้นเลยนะว่าในขณะที่เราถ่ายอุจาระปิศาวะเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราเคยชินมาตั้งแต่เกิดแค่เราไม่เคยย้อนกลับไปดูว่าในขณะที่เราเข้าห้องน้ํา ถ่ายนั้นมันมีทุกขเวทนาบังคับเราอยู่ทำให้เรารีบเร่ ง, เ, งเปิดผ้าเปิดเสือ้อนั่งซ่วมซึ่งเราแทบกำหนดไม่ได้ว่าถ้าเข้าไปสู่ห้องน้ำเนี่ยเราสติล้หลุดตั้งแต่เมื่อไหร่แตเรามีอย่างเดียวว่าจะปล่อยทุกขให้หมดไปทันทีเท่านั้นแต่เราไม่เคยลำดับเหตุการณ์ว่าเราได้ใช้มือไหนจับลูกบิดประตูแล้วก็มุงซ้ายหรือขวาเราไม่เคยกาหนด แด้หมุนแล้วมัน <c oughs> เปิดค่อยหรือเปิดแรงเราก็ไม่เคยกําหนดเมื่อเปิดมาแล้วเราผลักตัวเข้าไปในห้องได้อย่างไรทั้งๆที่เรามีน้ําหนักตั้งเป็นเกือบร้อยกิโลบางคนใช่ไหมแต่ว่าตัวปลิวเฉยเดียวเมื่อเข้าห้องใช่ไหมเราแบกน้ําหนักตัวเองเข้าไปตรงนั้นเป็นเกือบร้อยกิโลนะ่ะแต่ว่าเราเข้าไปได้อย่างไรแต่ถ้าเราไม่ยอมเข้าใครมาผลักเราเข้าใครมาถีบเราเข้านะี่แทบจะเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมแต่พอไอตัวความคยชินเขานี่บังคับมันมีกําลังมาก เพลิดเพินเข้าไปห้องโดยที่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราใช้มือข้างไหนเปิดผ้าเราก่อนใช้มือข้างไหนที่จัดการอ่าที่จะแล้วก็ใช้ขาไหนขยับก้าวเข้าไปชิดกับโถส้วมแล้วก็นั่งโนอในอิริบุตรใดน่ะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากอันนี้คือการปฏิบัติตลอดเวลาเลย อามาเองนั้นกว่าจะย้อนความเคยชินเหล่านี้ได้ต้องซักสองเป็นร้อยหุ่นพันหนมันถึงจะกําหนดได้นี่คือภาคปฏิบัติเราไม่ต้องรีบร้อนเลยนะให้ลําดับสิ่งเหล่านี้ได้มากที่สุดผลการปฏิบัติก็จะเช็ดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ใครกําหนดอาการเหล่านี้ไม่ได้อะอันนี้คือความช้าความชักช้าของการปฏิบัติอ่ายิ่งรีบยิ่งช้า ยิ่งช้ายิ่งเห็นผลไวจำไปเลยนะโบราณเขาบอกว่ารีบอย่างช้าช้าแล้วเราจะถึงถ้าเร่งรีบอย่างรีบรีงเราก็จะไม่ถึงเพราะมันจะไปเกิอดอุบิเหต์สก่อนแต่ถ้ารีบอย่างช้าช้าและระมัดระวังเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยการปฏิบัติก็เหมือนกันนะในบางสถานการณ์เราจะไปเนิบหน้า หรื อ, อนุ่มนวลหนวยนาดไม่ได้ต้องรีบเช่นเราดูแลเด็กอ่อนที่บ้านเด็กมันคลานไปจะตกบันไดยอยู่แล้วเนี่ยเราเดินจงกรมทีละจังหวะทีและจังหวะหวกพ่จะรู้ว่ามันไปถึงเด็กตกไปเรียบร้อยแล้วนี่ลักษณะนี้ต้องรีบพอโดดได้ก็โดดพอวิ่งได้ก็วิ่งแต่ด้วยความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็ดูสถานการณ์ ไก่หรือหมาเข้าไปในครัวเรานะเราจะโนยนาดนุ่มนวลอยู่ตรงนั้นไม่ได้พอข้วอะไรก็ขัวพอเวยแล้วก็เวยก็ไปอย่างรู้สึกตัวได้เหมือนกันหรือเราไปที่สถานีรถไฟหรือรถยนต์ก็ดีระยะทางจากที่ไปถูสถานีรถมันเหลือแค่สองนาทีแต่รถมาภายอจะออกภายในหนึ่งนาทีเนี่ยเราจะนโนยนาดอยู่ตรงนั้นไม่ได้พอวิ่งก็วิ่งพอ อ ด, ดก็โ ด, ดใช่ไหมแต่ด้วยความรู้สึกตัวนั้นบางสถานการณ์เนี่ยเรานิ่มนวลและนุ่มนวยนาดไม่ได้นะแต่บางสถานการณ์เราทำได้เรารถก็จะมาถึงที่สถานีอีกครึ่งชั่วโมงและจากบ้านเราไปหาสถานีใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีลักษณะนี้เราไปตามสบายได้เพราะฉะนั้นก็ดูสถานการณ์ดูการเวลาดูกาลเทศะด้วยว่าเราจะใช้ การเจริญสติเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ในกิจวัตรประจําวันโดยที่ไม่เสียประโยชน์ทั้งสองทางได้อย่างไรประโยชน์ทางแรกก็คือเราไปต้องการไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการการกระทําให้ทันเวลาประการที่สองในขณะที่เราลงมือสนองตอบต่อการกระทําไปสู่เป้าหมายนั้นเต็ม <c oughs> ไปได้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ถ้าเราทําคุณภาพสองส่วนนี้ให้ได้เนี่ย ช, ชีวิตของเราก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือเป้าหมายแห่งงานเราก็ได้เป้าหมายแห่งสติสัมปชัญญะและปัญญาเราก็ได้เนี่ยแล้วก็ความผิดพลาดบกพร่องความเศร้าหมองความอ่าเร่าร้อนมันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยล ง, ลยลงเรื่อยๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นต้องเกิดจากการฝึกฝนทุกอย่างมัน มันเป็นไปเองไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกฝนนะอจนกว่าการฝึกฝนนั้นได้กลายเป็นนิสัยเป็นอัตโนมัติเป็นเส้นทางของชีวิตแล้วมันก็จะเป็นเองอย่างมีระบบระเบียบไม่ใช่เป็นเองอย่างไร้ระเบียบอย่างที่แล้วแล้วมานะอันนี้ยกสถานการณ์หนึ่งเท่านั้นว่าแล้วต่อมาท่านก็ บ, บอกว่านะ อ่าอ่ายิเตขายิเตสายิเตสัมปชานัการีโหติอ่าถ้าบอกว่านักปฏิบัติพึงมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเคี้ยวการลิ้มอ่าในการดื่มการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเห็นไหมละเอียดไหมการกินในขณะที่เราจะเอื้อมมือไปหยิบสิ่งใดสิเข้าปากอ่า การกินและการดื่มหรือเราจะเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ําที่จะมาดื่มการเคี้ยวการดื่มการกินการดื่มการเคี้ยวเมื่อใส่เข้าไปในปากแล้วเราขยับขากันไกลข้างไหนก่อนในการที่จะบดขยี้อาหารชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่อยู่ในปากของเราให้แหลกละเอียดการเคี้ยวและการลิ้นก็คือชิมอาหารบางสิ่งบางอย่าง เราได้รู้รสชาติเป็นอย่างไรรสชาติรกชาตินั้นมันได้กําซับซึมซับก็ไปสู่ปลายลิ้นของเราลักษณะไหนเนี่ยสังเกตเดยตลอดซึ่งมันเป็นการใช้ชีวิตที่อยากจะกล่าวว่าคลาสสิกอ่าคลาสสิกมากคือหมายความว่าละเอียดแล้วก็มันเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นศิละปะนะเป็นศิละปะเพราะฉะนั้นการเจริญสติก็คือการมีศิละปะในการใช้ชีวิตนั่นเองนะ อันนี้ว่าได้หมวดของและต่อมาท่านก็บอกว่าผู้ปฏิบัติพึ่งมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเดินในการยืนในการนั่งในการหยุดในการพูดแม้แต่ในการนิ่งก็ให้รู้สึกตัวเห็นไหมละเอียดขนาดนี้การพูดการนิ่งการนั่งการหลับการนอนการไปการมาเนี่ยให้ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆอันนี้จะเห็นว่าในหมวดสัมปชัญ ญ, ญปะปปะพัฒมีลายละเอียดสูงมากนับตั้งแต่การเดินไปข้างหน้าการถอยกลับมาข้างหลังแต่ในส่วนที่เป็นอิเดียปปะพัฒนั่นท่านกําหนดไว้แค่อบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเองนะอันนี้ว่าถึงหมวดที่เรากําลังปฏิบัติทีนี้ย้อนกลับคืนไปหมวดที่เราสวดเมื่อกี้ว่าอ่า ที่คังว่าไอสันโตทีตอนแรกท่านบอกว่าโซสโตัวอัสสสติสโตัวปัสสสติให้มีสติในการหายใจเข้าในการหายใจออกแต่อบอกต่อมาท่านก็บอกให้มีส ต, ติอกาหนดรู้หายการหายใจเข้ายาวออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นนะแล้วก็มีสติกําหนดรู้ในการอารู้ทั่วกายทั้งปวง การหายใจเข้าหายใจ น, น, แบบนั่นกําหนดไว้ถึงสิบหกแบบขอนาปาทีนี้พระอกักขาจารย์ทั้งหลายก็มากําหนดเอาว่าหายใจเข้ามันจะยาวได้อย่างไรก็เลยบางสํานักก็นับหายใจเข้าหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบางสำนักก็บอกว่าต้องนับย้อนนะย้อนคืนหายใจออกเป็นสิบเก้าแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง แล้วก็หายใจเข้าออกกําหนดรู้อย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าอานาปาตามพัฏตีปุกแต่มาเริ่อบอกว่า ม, มันจะต้องมีแรงบันดาลหาคําคําที่มันเกิดแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นไอการนับเนี่ยไม่สามารถจะเป็นแรงบันดาลใจได้ก็เลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทใช่ไหมหายใจเข้ามันสั้นเอาเข้ามันสั้นๆเนี่ยพูดมันสั้นกว่าใจไอโทเนี่ยพยางมันเสียงมันยาว ก็ใช้ทโทรมันช่างจังหวะทั้งหมอเจาะนะพูดโทบางสํานักบอกพูดโทนี่ก็ยังเป็นคําบริกรรมอยู่ต้องหายใจเข้าซ้อมว่ า, าแล้วก็ออารหังเห็นไหมบางสํานักก็บอกว่าโอ้ดูหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเห็นไม่ชัดต้องไปดูปลายลมเลยทีเดียวะปลายลมที่ไหนหายใจเข้าท้องพองขึ้นเดียวไหปลายลม หายใจออกท้องยุบหลงปลายหลงออกนี่เห็นไหมแล้วก็มาบัญญัติอาการเหล่านี้ตามลมแต่ความจริงในพระไตรปิฎกเราเรียนท่านว่าให้รู้ว่ามันยามันสั้นมันเข้ามันออกแค่นั้นเองแต่งพ่อเทียนท่านไม่ปฏิเสธแม้แต่ลวงหายใจก็ต้องรู้ท่านว่ า, างไงให้มีสติรู้พัพตาหายใจหน้าปากอ่าหรือซ้าย แหลวาก้มเงยหยิบจับชวยเห็นควบคุมทั้งหมดเลยที่ท่านพูดขอโทษไปแพรอากาศในภูเขาไม่หายากก็จะเห็นว่าแค่แค่สามหมวดนี่ก็คลุมทั้งหมดละฮะไม่ต้องไล่ไปถึงท่าสี อาการสามหรืออีกสาหมวดนะท่าสี่อาการสามวิสังอสุภะที่ในสามหมวดนี่ถ้าทั้งท่าทั้งหมดได้บอกเราวป็นหกหมวดใช่ไหมอนาปาอิเยบทแล้วก็สัมพชยะอเอียบท ย, ย่อยสามหมวดแค่สามอย่างนี้นะถ้าเราทําอย่างชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องนะเพียงพอเลยไม่ต้องไปพิจารณาท่าสี่อาการสามวิสังอสุภะไม่ต้องเลยเพราะสามอย่างนี้ก็จะหมวกเข้ามาในสามหมวดมีเช่นกันนะ นั่นเราจะเห็นว่าอาณาปาที่มีอยู่ในตำราพระพุทธเจ้าท่านเพียงแต่บอกว่าเราหลังจากตัดสู้แล้วได้ใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมท่านไม่ได้บอกสักหน่อยว่าท่านใช้อานาปาเป็นเครื่องมือในการตัรสู้ใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าเราหลังตัดสู้อนุตตร ส, สัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราได้ใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรม เขาเป็นความเป็นเครื่องอยู่วิหารธรรมใช้เป็นปกติของชีวิตเป็นเครื่องอยู่หลังจากแตสรู้ท่านไม่ได้บอกไม่แต่นี้เดียวว่าเราได้ใช้อนาปานสติเป็นเครื่องมือในการแตสรู้ไม่ได้บอกอ่าเป็นเครื่องอยู่หมายความว่าเราจะอยู่ไหนก็ตามกําหนดสติไปตามลมหายใจในการไปการมาเนี่ยมันทําให้มีความสุขในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พระ อ า, อาจารย์อาจาย์พระเถระทั้งหลายไม่รู้ว่าท่านจะชัดเจนตรงนี้หรือไม่ชัดก็ต่างแต่ามาตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าท่านท่านแจงกันไว้แล้วก็โอเคท่านอาวะาจะศึกษาไม่ถึงนะแต่ถ้าท่านไม่ได้แจงมาตั้งข้อสังเกตว่าพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าเราตถาคตได้ใช้อานาปานสติเป็นวิหารธรรมห ล, ลังจากที่เราได้เข้าถึงอนุตตรสมัสมสมาสัมพุทสาณแต่อะไร เครื่องมืออะไรที่ทำให้ท่านเข้าถึงอนุตตรสัมมาสัมพุธิยานท่านบอกว่าในปฐมยามเราได้เห็นการเกิดขึ้นและเสื่อมไปแลได้เห็นเหตุของรูปและนามว่ารูปนั้นเกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรได้เห็นเหตุของนามเกิดขึ้นอย่างไรดับไปโดยการเห็นเหตุการเกิดดับของรูปของนามนี้ จึงได้เห็นของกาลเกิดดับของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีแค่สองคือรูปกับนามเท่านั้นเห็นไหมคือท่านได้เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปและนามในปฐมยามตั้งแต่หกโมงเช้าไปถึงประมาณห้าทุ่มท่านเห็นอันนี้นะในการที่ได้เห็นเหตุของธรรมทั้งหลายที่ท่านอุทานเอาไว้ะว่า ยาทาหาเวปาตุพวันติธรร ม, มาอาตาปิโนชายโยภามรสัตสเหตุดูธรรมังประชานาติเราได้เห็นธรรมทั้งหลายอันเกิดแต่เหตุว่าเหตุของธรรมทั้งหลายนั้เกิดจากรูปกับนามคือกายกับใจเห็นไหมอันที่สองท่านอุทานมาอีกเมื่อยามที่สองท่านแต่เที่ยงคืนถึงตีสามเนี่ยท่านได้เห็นอะไร ปัจญาณังอเวทิเบื้องต้นเหมือนกันคือยะดาาเวปาตดุพวัติธรรมาอาตาปิโนชายยะตูภะมรัสสะกังคขาวะปยัญติสภายะตูขจะปัจจญาณังอเวทิเมื่อเราได้เพียนเพ่งดูอยู่อย่างนี้เราได้เห็นยานที่สองคือความสิ้นไปของปัจจัยทั้งหลายตอนแรกท่านได้เห็นเกิดการเกิดขึ้นของรูปเรนาคทั้งหลายยานที่สองท่านได้เห็นการดับไป ได้รู้ประจากแย้งการดับไปของรูปและนามทั้งหลายเพราะฉะนั้นแค่สองยานคือการได้เห็นนะั่นนะนั่นคือตั ว, วิปัสสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบ <c oughs> รรลุธรรมตรงนั้นโดยอาศัยการรู้การเห็นไม่ได้บอกว่าใช้อุบกใช้อุบายกรรมฐานหมวดไหนท่านไม่ได้บอกเลยนะแต่ท่านได้รู้ได้เห็นการเกิดขึ้นของเหตุทั้งหลายและการได้เห็นความดับไปของธรรมทั้งหลายนะ แล้วยานที่หนึ่งบอกว่าปุเพนิวาสานุสติยานพอท่านมารู้มาเห็นนี่ค่ะเหตุเกิดขึ้นของรูปในนามทั้งหลายนั้นคุณสมบัติต่อมาท่านบอกว่าอะไรท่านไดล้ลึกรู้ชาติต่างๆในอดีตว่าตั้งแต่ต้นประถมบรมกับจนมาถึงปัจจุบันกี่ล้านปีก็ตามจิตวิญญาณและรูปนามมันนี้ได้พัฒนามาตามระดับกี่ล้านปีก็ตามมันมีแค่สองแค่นั้นคือ รูปกับนามกายกับใจแต่ด้วยอาศัยว่าความไม่รู้ที่ไปที่มาของมันแต่ในเย็นวันนั้นท่านรู้ว่ารูปนามไม่เกิดขึ้นอย่างไรที่มาของมันะ่ะเกิดขึ้นอย่างไรท่านได้รู้เหตุของมันและด้วยความรู้อันนี้ท่านได้โยงไปถึงสรรพสิ่งในจักรวาลทั้งหมดมันก็เหมือนเดวกันนี่แหละเพราะตัวรูปนามนี้เป็นโมเดลที่อยู่ที่ตัวเรา และตัวเราเองก็เป็นผลผลิตของธรรมชาติทั้งหมดใช่ไหมเมื่อเห็นหนึ่งมันก็เห็นทั้งหมดแล้วก็เห็นทั้งหมดมันกลับมาเห็นหนึ่งคือ <c oughs> รูป ก, กับนามท่านบอกว่าในยานนี้เองพระพุทธเจ้าบรรลุปฐมญาณ น, นี้เองทาให้ได้ท่านได้ระลึกชาติได้ว่าแต่ละชาติท่านไปเกิดที่ไหนบ้างแล้วก็ออกมาเป็นชาติดนิทานต่างๆเป็นพระเจ้าห้าร้อยชาติพระเจ้าแสนชาติหมื่นชาติใช่ไหม เรามาสวดกันที่มาเทศกันพระเจ้าสิบชาติเจอย่อมาล่าสุดสิบชาติสุดท้ายท่านเอาเรื่องเรื่องนี้มาศึกษาแต่ก็เลยอ่านตำราทั้งหมดห้าร้อยชาติบ้างพันชาติหมื่นชาติแสนชาติตลอดชาติอย่างยิ่งบ้างเราก็ไม่ได้นํามาชาติอะไรบ้างแต่เรานํามาแค่สิบชาติเราก็ศึกษากันหัวแทบระเบิดอยู่แล้วแค่สิบชาตินี่แหะแต่เดีเอามาห้ารอชาติจะขนาดไหนนี่คือขนธรรมเนียมต่างๆก็เลยเกิดขึ้น แล้วก็เราก็ไปติดที่ตรงนั้นเราไม่ได้เลยขึ้นไปถึงยานที่สองที่สามของพระพุทธเจ้าแล้วติดแค่ยานที่หนึ่งก็กลายมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เราไปยึดติดอยู่แค่นั้นผู้ได้ศาสนาในประเทศไทยเราถึงไม่ไปไหนยังไงอ้าวทีนี้พอจังแต่เที่ยงคืนไปถึงตีสามตีสีเนี่ยถ้าได้รู้ยานที่สองคือได้เห็นการดับไปของรูปไรานาม และการดับไปของสรรพสิ่งในโลกนี้เพราะได้เห็นการดับไปของหนึ่งเดียวก็เห็นการดับไปของทั้งหมดทั้งปวงเหมือนกันครอบจักรวาลเลยทีนี้เพราะกำเนิดไปแค่นี้นะมันมีการเกิดขึ้นของรูปอันที่สองมาเห็นการเกิดดับของน้ำยานที่สองนี่เองทำให้ท่านเห็นการเกิดดับอ่าการเกิดดับว่าสัมพัสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เมื่อตายจาก ชาติน mm. ี้ตายจากชีวิตที่แล้วเนี่ยจิตวิญญาณเขาจะไปเกิดที่ไหนต่อและสัมภสัตว์ทั้งหลายที่จุติจักพบนั้นๆแล้วจะไปเกิดพบต่อไปเนี่ยด้วยอะไรเนี่ยพงรู้นี่เขาเรียกว่าจุตูปปัตยานรู้การจุติและอุบัติของสัมภสสัตว์ทั้งหลายว่าสัมภสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดตรงนั้นแล้วมันจะไปคิดอตายตรงนั้นหรือไปเกิดที่ไหนมันตายพบนี้ไปเกิดที่ไหนอันนี้อาจารย์ท้าอาจารย์มาขยายก็เฉยเฉยนะ แต่ในต้นตอจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราและเรื่องของเราก็ไม่ใช่เรื่องของพุทธเจ้าแต่เรามีธรรมชาติอันเดียวกันใช่หมคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาในใจของเรามันต้องดับล้วนต้องดับแต่ดับแล้วมันไปไหนนี่เราไม่รู้แต่บอกว่าด้วยยาอันนี้พระองค์ทรงรู้ ซึ่งอันนี้จะเป็นการโปรโมทโฆษณาของพระอถ า, าจารย์เพื่อสร้างศรัทธาให้คนเกิดในพุทธิเจ้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือว่าถ้าได้รู้จริงๆเราก็ไม่รู้เพราเป็นเรื่องของท่านอะ่ะใช่ไหมเราจะไปตามรู้ได้งแต่ที่นี่มาดูประสบการณ์ของอาตมาว่าอาตมารู้อย่างไรในจุดนี้เมื่อรู้รูปนามขั้งแรกเนี่ยมาอยู่ที่เจ็บอารมณ์อยู่ที่ไว้สนามในนะเมื่อรู้รูปนามขั้งแรกได้เก็บอารมณ์กับหลวงพ่อเนี่ยเจดวัน ในวันที่หกเพราะว่ามาเคยทําหนอและพุทโธมาก่อนแต่วันหนึ่งเมื่อสร้างจังหวะต่อเนื่องกันโดยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันแล้วเนี่ยพอไปจนก่อนนอนเอเรานอนนี่เราจะใช้ปฏิบัติไหนเราก็เลยดึงสติดึงจิตมาไว้ที่ลมหายใจเนื่องจากว่าสมาธิที่เรากำหนดมาตลอดหกวันเนี่ยมันเข้มมากพอดึงจิตไปอยู่กับลมหายใจปั๊บมันดับวู้บไปเลย เข้าไปในเข้าไปข้างในแล้วก็ตัวนิ่งไปเลยนะตัวทื่อไปเลยแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นเห็นจิตเห็นความรู้สึกนี้เดียวอยู่ที่หน้าอกเป็นเวลานานเท่าไหร่ไมร่รู้ที่มันออกมาได้จําได้ว่ามันเผอจะชักลมหายใจพอเขาชักลมหายใจกระตุกปั๊บนี่งมันเหมือนกับลมที่มันพัดไฟหรือเปลี่ยวเขียวเยวคยเห็นไหมกับไฟใกล้จะดับอะ่ะแต่พอพอลมจางไปเนี่ยเปลี่ยวไฟมันแดงขึ้นมาอีก ลักษณะอย่างนั้นเลยนะคืนนั้นแปลกใจมากเพราะมันไม่เคยเป็นมาก่อนเอ้าก็เลยออกมาจากอาการนั้นเมื่อกี้มันนอนทำวันนี้เรานั่งทํำดูบ้างก็มากําหนดลงหายใจเหมือนวิวเข้าไีทื่อเลยนั่งทือเลยทีนี้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอไปสู่อาการดิมคือกระชากลมหายใจตัวดิ้นได้ทําอย่างเงี้ยนั่งก็ทํายืนก็ทํา นอนก็ทําแต่เดินไม่ได้ทดําดูจนกระทั่งนอนไม่ได้คืนนั้นพอนอนปั๊บเนี่เหมือนกับตัวเลยพุ่งขึ้นบนอากาศเลยนะจู้จุดเป็นเป็นล็อกเก็ตเป็นในบ่งไฟเลยนะพอพอมันพุ่งเข้นไปแล้วก็สะดุ้งตื่นพอหลับตาแลอวไปพอมันเข้าไปสู่พอเขาหัวแล้วก็จู้ดขึ้นไปมันก็สะดุ้งตื่นทุกครั้งตกเช้าขึ้นมาไปส่งอารมณ์กับหลวงพอ่อหลวงพ่อผมเป็นอย่างนี้เมื่อคืนเนี่ยอ๋อท่านบอกว่า เนี่ยคุณไปกำหนดลมหายใจใช่ไหมฮันรู้เลยบอกแล้วว่าให้อยู่กับการเคลื่อนไหวนอกๆ อ, อย่าเข้าไปตรงนั้นเพราะอันนี้คือการสะกดจิตตัวเองมันไม่ใช่อ่าริเดตปฏิหารอะไรเพราะว่าอาการแบบนี้ผมสอนได้ภายในเดือนเดียวเป็นทุกคนว่างั้นเพราะวิธีการสะกดจิตตัวเองให้อยู่กับลมหายใจแล้วก็ครูบาอาจารย์ในสายอื่นที่สอนเรื่องลมหายใจเขาบอกว่าเป็น ชาญเป็นสมาบัติเป็นนิโรธสมาบัติท่านบอกไม่ใช่เพราะอันนี้เป็นเรื่องของสมถะใช่ไหมต่แรกมันเป็นแล้วก็หลงหลีใจว่าเออมันใช่คุณธรรมขั้นสูงท่านบอกท่านบอกอันนี้คือการผลของสมถะที่เราไปสะกดจิตของตัวเองดีๆนี่เองท่านบอกว่าต่อไปอย่าทํานะถ้าทําแล้วเกิดเป็นอำนอาจพลังอำนาจบองผมไม่ผมไม่รับผมมี่ชอบท่านสั่งเลยอย่าทําเห็นไหมอันนี้คือผู้รู้จริง แต่ถ้าหาว่าเป็นครูบาอาจารย์อื่นที่ท่านไม่แช่งเรื่องนี้ท่านจะบอกเราอีกไหมไม่บอกเราเออดีแล้วคุณปฏิบัติได้ดีมากคุณทําต่อไปเลยนะต่อไปคุณเล่งความเพียรเต็มที่เลยนะเราก็เป็นไงเพียรเลยนะเพียรเลยนี่คือผลของการที่เราได้ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องท่านรู้จริงว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเราไปเจอครูบาอาจารย์ไม่แช่งเรื่องนี้เป็นไงเล่งให้เราทําความเพียรเลยทําอีกทาอี ก, อกในที่สุดเราเป็นไง เพี้ยนวิปริตวิปรานไปแล้วใครรับผิดชอบเราอ่ะไม่มีนี่คือความวิเศษของกัลยะาณมิตรเมื่อเราไปสู่จุดวิกฤตของการปฏิบัติแล้วถ้าเราไม่ได้กัลยาณมิตรผู้รู้จริงแล้วเราอาจจะเพี้ยนอาจจะผิดพลาดโอกาสที่จะรู้ทำที่ใช้จริงไปเลยก็ได้นี่ตอนนั้นเองพอทำถึงวันที่เจ็ดท่านก็บอกให้ออกมาเดี๋ยวคุณเข้าไปเล่นตรงนั้นแล้วคุณออกไม่ได้ ก็ออกมาทำปาลุของเพียนปกติท่านก็ดูแลเอาใจใส่อย่างนี้ตลอดสามเดือนพ่อพัรสามาในปีนั้นจำได้ว่าปีสองห้าสองเก้าในช่วงวันต่อมาเนี่ยตั้งแต่เกิดนะเราจำได้ตั้งแต่แตเราเป็นเด็กซึ่งภาพเหล่านี้เราไม่เคยคิดถึงมันเลยนะแต่วันนั้นมันผุดขึ้นมาได้อย่างไรตั้งแต่เราเป็นเด็ก รู้ได้ใส่เสื้อชุดไหน <c oughs> แล้วใครเป็นคนจูงมือเราเดินใส่เสื้อชุดไหนแล้วก็เดินอย่างไรห้ามเนวมันฉายหมุนออกมาเลยนะตั้งแต่เราจำความได้หมุนมาออกมาหมดเลยเราไปตกที่ไหนไปตายที่ไหนไปทำชั่วที่ไหนไปทำดีที่ไหนไปทาร้ายกับใครไปทำอะไรชั่วดีที่ห่างทั้งหมดมันฉายออกมาหมดเลย <c oughs> มันออกมา เหมือนภาพครึ่งฝันครึ่งคิดมันไม่ได้เห็นได้วแต่มันมัฉายออกมาเหมือนเราดูหนังนี่ยดนโดยนิโมภาพโดยที่เราก็ไม่เนื้คิดแต่มันออกมาจนหมดของมันจนถึงปัจจุบันนี้เราทําอะไรโอตัวนั้นมาอายุประมาณเท่าไหร่ปีสองเก้านี่ปีห้าสามยี่สิบสามปีเอายี่สิบสามนี่ไปขักออกเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนี้มาหกสิ สี่ที่เ่อะไรสามสิบเจ็ดอใช่ไหมประมาณนั้นนะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดก็เข้าใจอันนี้โอนั้นในภาษานี้ได้อารมณ์ทั้งภาษาเลยได้อารมณ์ทั้งภาษาก็ปรากฏว่าในภาษานี้ก็มีเหตุว่าอาจารย์ <c oughs> <c oughs> วิไลครูพุทธบารอวิไลยพยาบาสลสระบุรีนำนักศึกษา พ, พยาบาลเข้าไปอบรมที่วัดสนามใน แล้วหลวงพ่อก็พาอบรมเด็กนศึกษาแล้วอาจารย์ที่อมหาลัยมอจันเกษมศิลปกรกนจันเกษมอยู่ที่คนครปฐมอาจันทบุรีก็นิมนต์ไปอบรมเด็กนักศึกษาที่นั่นปราะคนในภรรสนามั น, น, นก็รู้แค่นั้นนะทางานใช้เยอะเลยก็เลยโอไม่ไหวนะเนี่ยแล้วทาความเพียรน้อยงานมันจะรุ่มล้อเข้ามาหลวงพ่อให้องค์พ่อถ้าก็ดันหลังให้ทํางานพอออกพรรษา ป, ปั๊บพามา จำได้ว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกาพ่อคนสายเดืนตุลาใช่ไหมวันที่หนึ่งพฤศจิกาก็แบกโกรแบกบาดขึ้นวัดป่าสุประตูนะที่แกง่งคอที่หลวงพ่อเขาเขียนอยู่ทุกวันเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อเขาเขียนอยู่องค์เดียวอมาก็ไปอาศัยกลาวว่าพ่อท่านชวนไปอบรมนัศึกษาธิที่มอเชียงใหม่วันที่สิบหกที่สิบห้าสิบหกของเดือนพฤศจิกานั่นแหละอมาก็เลยบอกออขอไปเก็บอบรมสักสิบห้าวัน เขาไปวันที่หนึ่งกล่าวว่าวันที่สิบห้าวันที่สิหกจะไปหลวงพว่อมากับหลวงพว่อคำเขียนเขาไปเก็บว่ารมณอยู่คนเดียวแล้วก็ตอนนั้นจําได้ว่ามีตังค์อยูสามร้อยบาทเขาไปให้น้องสาวหลวงพว่อคำเขียนในชื่อแม่แม่สุประศุบอกว่าประศุทํามหารสัมตมาจนกว่ามาจะออกจากอารมณ์นะมามีเงินแค่สามร้อยเนี่ยโยมจะทำอะไรมาก็แล้วแต่ระ ว, วันละครั้งก็แล้วมาก็ไม่ต้องไปบินธบวดาเขาทำอย่างเดียวนะฮะทำทำท ำ, ทำอยู่ ทำอย่างนั้นมาเจริญสติมาถึงวันที่สิบคืนวันนั้นเนี่ยนกที่ตตมากลัวที่สุดมันจำได้มันฝังลึกตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก <c oughs> บ้านเราอยู่ที่เดินชัยเนี่ยแต่ว่าประชาอยู่ทางตะวันตกบ้านวันไหนนะถ้ามันมีคนจะมันจะมีคนตายเนี่ยมันจะมีนกประเภทหนึ่งบ้านเราเร็วนกชุกจรุยมันร้องเสียงเย็นทำให้สะทานไวทั้งตัวเลยถ้าได้ยินเสียงเขาว่านกผี มันร้องจุกจุลุเสียงเย็นเย้าเลยนะถ้ามันร้องไปประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยเราจะเย็นเยือกไปทั้งตัวเลยนะขนลุกไปทั้งตัวเลยนอนไม่ได้จุกจุลุยทีนี้ผู้ใหญ่ทั้งหลายบอกว่าถ้าอก น, นี้ร้องเมื่อไหร่มันมีคนตายเมื่อนั้นคนมาเรียกผีมาเรียกคนที่จะตายเนี่ยเข้าไปช้าอแล้วก็กลัวฝังลึกในสํานึกลึกมากเลยทีนี้พอไปเก็บอารมณ์คนเดียวที่วัดป่าสุโขโตที่หอใจเนี่ย คืนวันนั้นมันได้ยินเสียงนกตัวนี้อีกโอ้ทีนี้มันไอไอสัญญาณเก่าๆใช่ไหมมันก็กลับมามันเริ่มกลัวพอกลัวลว่ามันกลับมาดูใจเลยเอามันกลัวอะไรกลับมาดูใจประมาณจําได้ประมาณสักห้าทุ่มกว่าแล้วฝืนใจลุกขึ้น่ะพออยู่บนหัวใจอยู่บนเขาคนเดียวอย่างฝืนใจลุกขึ้นแล้วก็เสียงนกตัวนั้นพรอในป่าสกุลในสมัยนั้น่ะต้นไม้ใหญ่ๆมันเยอะมากเป็นดงะนะเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนก็ บะเอา้าลุกขึ้นแข็งใจลุกขึ้นไม่มีที่ฉายด้วยแต่พอดีมันเป็นเดินไห้แล้วก็เดินจากหลวงบะหอไตร์ก็เดินตามไปดูว่าแล้มันจะตายาไห้ความกลัวเนี่ยมันจะชักมีชังอตายไหมฟื้นอันนี้คือความที่มันมีสติมันกล้าเนอะก็เดินไปตามเสียงมันว่ามันตจาะต้นไม้ต้นไหนปรากฏว่ามันมีต้นแดงต้นหนึ่งข้าบนมาเป็นกลวง เพราะนั้นเสียงนกนี้มันร้องเบอแต่เสียงมันจะดังไปไกลมากหนึ่งมาอยู่ที่สูงสองมันร้องอยู่ในกลวงไม้เหมือนกับลำโพงอะใช่ไหมมัาก็ได้สูงไปไกลอยู่ที่สูงไอ้เราก็ตามเข้าไปตามเข้าไ ป, า ม, าไปมันร้องอยู่ต้นไหนตามเข้าไปทางก็มืดๆ น, นะมันเห็นสลัวๆเพราะเดินไงตามเข้าไปก็ไปยืนอยู่ต้นไม้ที่มันร้องเลยนะดูว่าไอ้เราจะชักดิ้นชักงอตายหรือเปล่าไอ้ความกลัวเนี่ยพ้นฝังลึกมากก็สังเกต ใจของตัวเองจนนี่งมันร้องเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกกลัวเลยนะว่าเราจะกลัวเหมือนสมัยที่เราเคยกลัวไหมว่าขนลุกไหมสั่นกลัวไหมดูใจเข้าไปดูใจเข้าไปมันสงบนิ่งเลยนะมันไม่รู้สึกกลัวเลยความกลัวทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะเท่ากับตัวนี้ที่มันฝังอยู่ในใจตั้งแต่นั้นขอโทษเป็นต้นมาเนี่ยคำว่ากลัวผีเนี่ยหายสนิทเลย ความกลัวทุกอย่างหายสนิทเลยตั้งแต่ปีนั้นมาเนะ่ไล่อารมณ์ในวันที่สิบพอวันที่สิบเอ็ดขึ้นมาเอามาจําได้ว่าช่วงเช้าซักผ้าออกไปตากชายขาข้างนอกมันมีลาวผ้าตากมาก็เอาไปผ้าไปตากช่วงเช้าแล้วก็เดินจนกงกรมทำสมาธิอยู่ใต้ถุนหอไตรไปถึงประมาณบ่ายสองโมงเนเอามาก็ออกไปเก็บผ้ามันแห้งแล้ว พอคว้ามือขึ้นไปดึงผ้าเท่านน่ะวุบดับบุบไปเลยนะแล้วมันมีคําหนึ่งผุดขึ้นมาในใจว่าโอปาโอปปาติกาตเพราะโอปกาเป็นชื่อหนึ่งของชื่อที่ท่านเรียกพระอนาคามีนะเป็นชื่อหนึ่งมันดับวุบลงไปไอ้สิ่งที่เราเคยแบกเหมือนที่รที่เคยแบกทั้งหมดในชีวิตเนี่ยว่าเราแบกความคิดแบกอุปทานอะไรก็ตามแค่มันหลุดไปเลยที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกน้ําหนักร้อยกิโล มันลดไปเท่านั้นกิโลเท่าร้อยตกิโลนึกทั้งขำมั น, นั้นได้อ๋อจุดนี้เองถ้าหากว่าความคิดความยึดมัน่นถือมา่นอุปาทานของเราทั้งหมดมันดับสลายเนี่ยตัวเราใจเราัจะเบาขึ้นทันทีในขนาะนั้นเหมือนเราลอยจากพื้นดินเลยนะเบาขึ้นสภาวะนะั้นที่เกิดขึ้นวันที่สิบเอ็ดของเดือนพฤศจิกายนสองห้าสองเก้าจนกระทั่งวันนั้นถึงวันนี้ภาวะนั้นแจ่มชัดอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงยี่สิกวปีเขาเลยว่นี่คือภาวะที่ว่า ไอ้ต้องสัมผัสเองโดยที่ว่าเราเรื่องเหล่านี้เราจะไปนึกไปคิดไปคํานวณไปคิดเอาไม่ได้แต่ต้องทําไปเรื่อยๆทําไปจนกระทั่งว่าจิตของเราเนี่ยไปคิดไปกระทบไปสัมผัสแล้วมันก็มันเกิดนี้ขึ้นเองกระทุกข์กันมาขึ้นเองตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาก็เลยเบาสบายพอมาปีสามศูนย์ก็ อ, อกจากวัดสนําไหน พ่อปีาสองก้าจำพารษาอยู่กับหลวงพ่อปีสามศูนย์ก็บอกมาแสวงหาความวิเวกตามป่าตามเขาตามถ้าต่างๆม า, มาทางชายามาทางชายาภูมิก็ไปนู่นะไปทําน้าําหนาวไปทำ่อนสาลอําเภอแถวอำเภอขอนสานสามันมีถ้าเยอะนะว่าจะกล่าวว่าจะไปปีกวิเวกเท่านั้นก็ในช่วก็ออกไปปีกวิเวกแล้วกลับออกมาจากป่าในใต้เขามันสาก็มาจําภาษาที่วันเป็นวัดร้าง ที่บ้านอ่าอะไรอยู่ทางอำเภอห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอคอนสานะมันมันติดเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ชอบเพราะว่าเป็นวัดล้างแล้วก็น้ําไหลผ่านมาตรงนั้นก็พรรษานั่นมาอยู่ที่นั่นแต่ปรากฏแล้ก่อนเข้าบรรษานี่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนัดก็ไป <c oughs> ไปพบอ๋อจำได้ผูดในการโรงเรียนพยาบาลวิทยาพยาบาลที่พู้ดับัตรอาจารย์สายหยุดนะั่น อังพองเขียนกระจารญเสยอยูย่ก็ไปพบที่นั่นว่านิมนต์ไปอบรมพยาบาลที่วิไลยพยาบาลพุทธบ้านสลั บ, บุรีในพรรษานั้นก็เลยต้องมาทํางานช่วยกับพระ อ, องค์เขียนด้วยแล้วก็กลับไปอยู่ที่วัด น, นั้นเนี่ก็ปรากฏว่าญาติโ ย, ยมในวัด น, นั้นก็เขาดีใจพระกรรมฐานมาอยู่วัดก็พรรษานั้นต้องพรรษาย่าโยมก็มาปฏิบัติ ด, ด้วยทีนี้ต่อมาโยมคนหนึ่งชื่อว่าพ่อใหญ่จันทะอยู่บ้านหนองพะลอดในอําเภอบันแท่น น, นะ ก็รู้พราะมาเคย อ, อยู่วัดหนองเฝอหลอดมาก่อนก็เลยรู้ว่ามาอยู่ท่านก็เลยต่างไปจากพันศาด้วยแล้วบอกพัรษาก็นิมนต์อาจามามาสร้างสำนักแรกที่วัดหนองเฝอหลอดพรฝ่ายเชียงโมกคนนะนะอำเภอวันเท่น <c oughs> จากนั้นมาก็ยาวมาเรื่อยๆทางานมาตั้งแต่ปี30จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยงานมันก็ยาวมาได้เลยถามว่าเรารู้อะไรเราเห็นอะไรในประสบการณ์ส่วนตัวถึงมารู้ว่าการเข้ายานที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงเนี่ย คือจุดุปปัฏฐานที่ได้รู้ได้เห็นการเกิดดับของตัวเองมันประจักษ์ขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะไปรอว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไปนึกเว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนั้นไม่ใช่มันต้องพัวพากขึ้นมาของมันเองแต่เราทําเหตุเท่านั้นทําเหตุคือจากสมตัวสติไปเรื่อยๆเมื่อตัวสติสัญญายเนี่ยมันไปแก่พร้อมวันไหนแล้วมันเป็นของมันเองพวกโยมเคยเห็นเวลาเขาเก็บถั่วมาจากไร่ไหม ถั่วเหลืองถั่วอ่เขียวถั่วอะไรต่างเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็มาตากใช่ไหมหเหต็นไหมพอจากแล้วเราจะเห็นว่าพอมันได้กรอบได้ที่แล้วเป็นไงมันก็แตกพวกพวพวกออกมาซึ่งเราไม่สามารถจะตั้งเวลาได้เลยว่าไอ้ถั่วเม็ดไหนมันจะแตกเวลาเท่าไหร่แต่ใ น, นเมื่ออุณหภูมิที่แดกมันเผาพอดีความกรอบของถั่วมันพอดีแล้วมันแตกออกมาจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมันสเสด็จ มาจากเรื่องของโลกียวิสัยแล้วถูกสติสัมปชัญญะเมื่อกิจของเราเสด็จออกมาจากโลคิยวิสัยก็เหมือนเราเด็ดถั่วมาจากต้นใช่ไหมเอามาจากเหมือนว่าเราปลารกความเพียรอยู่เสมอเมื่อกําลังร้อนแรงของสติสัมปชัญญะเหมือนกําลังร้อนแรงของแสงพระอาทิตย์แผดเผาได้ระดับหนึ่งแล้วจิจของเราที่มันถูกอวิชาห่อหุ้มเหมือนฝักถั่วเลยมาตลอดกี่พบกี่ชาติกี่กับเก็ดมันแตกพวกพวกพวออกมาแบบนั้นเลย ดังนั้นเรื่องการรู้ประจักษ์แจ้งในสัจธรรมของของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการนึกคิดแบบฟิลโลสฟีไม่ใช่การไปคาดคะเนแบบไซโคโลจีจิตวิยาหรือปรยานะแต่มันเป็นการเอไลท์คือเข้าไปไปเห็นแจ้งในใจของตัวเองด้วยตัวเองก็เลเอไลท์เทมินคือการตัดสรุ้คือการบรรลุลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อพระ อ, องค์ประสบแบบนี้ท่านก็เอาประสบการณ์นี้มาบอกต่อๆกันใช่ไหมแบบหลวงพ่อเทียนก็แบบเดียวกันเลยเอามาบอกต่อๆกันทีนี้คนก็เอามาทําตามพอทําตามอย่างถูกต้องตามที่ท่านบอกมันก็เป็นเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันทุกคนก็เกิดพระถ้าหากเป็นเบื้องต้นเรียกว่าโสดาบันถ้าเป็นถัดขึ้นมาหน่อยก็สกิทาคามีถ้าเป็นถัดขึ้นมาหน่อยก็เป็นอนาคามีถ้าไปถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละคน ก็ใครจะแต่ขั้นไหนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทามากทําน้อยรู้มากรู้น้อยแต่ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราว่าเรามีภูมิปัญญานี้มาดั้งเดิมของเรามีมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวประกอบคือตัวที่เรามีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นศรัทธามันจะรวมเรื่องสีทั้งหมดนะสีทั้งหมดเป็นเรื่องของศรัทธาไม่ใช่เรื่องของ อีกสี่อย่างนั้นนะการรักษาศีลก็คือการมีศรัทธาแล้วก็การลงมือทำเป็นเรื่องของความเพียรไม่ว่าทำสมถะหรือวิปัสสนาก็ตา่างแต่ถ้าหากว่าเป็นความเพียรที่ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของวิปัสสนาโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นศรัทธาและความเพียรประกอบกันเข้าเป็นเรื่องของสมถะใช่ไหมนี่ที่เรามาดูในประเทศไทยของเราว่า ระหว่างคนที่มีศรัทธาและความเพียรแล้วคนที่มีทั้งห้าประการเนี่ยอันไหนมันเยอะกว่ากันเห็นไหมเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นที่ทําครบห้าประการ น, น้อยมากเลยเรียกวิปัสสนาที่แท้จริงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราก็ทําสมถะแต่สําคัญว่าเป็นวิปัสสนาอันนี้เยอะที่สุดผมทําวิปัสสนาสายนั้นสายนี้แต่คนจริงแล้วมันเป็นสมถะทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีครบทั้งห้าเรามีศรัทธามีความเพียรแล้วก็ในขณะที่เราเพียรเนี่ย มีสติมีสมาธิปัญญาเข้าไปประกอบในความเพียรของเราอันนั้นเป็นวิปัสสนาทำให้เราเห็นการยานทั้งสาเกิดขึ้นในเวลาต่อไปคือยานเห็นการเกิดขึ้นของรูปของนามและยานเห็นการดับไปของรูปของนามเมื่อเห็นการเกิดขึ้นดับไปของของมันแต่ละครั้งแต่ละคงแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอะไรเกิดขึ้นตามมาตามมันบ้าง แล้วมันดับลงไปในะอะไรดับตามครัท่านเลือกไปสู่ฌานที่ยานที่สามเรียกว่าอาสวยายาัคยญาณอ่าคือยานที่จะไปรู้การชําระก็สิ่งที่มันเกิดดับพร้อมมาพร้อมกับรูป ก, กับนามเนี่ยมันคืออะไรคือวิชาหรืออวิชาถ้ามันเกิดดับพร้อมกับวิชามันก็กลายพัฒนาเป็นยานหลายเรื่องของยานไปนถ้าถ้ามันเกิดพร้อมกับอวิชามันก็กลายเป็นอาสวะ เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่ารู้ได้ยังไงว่าการเกิดดับของเรามาประกอบด้วยวิชาหรืออวิชาก็เราจะต้องเจริญสติจนจนชำนิชำนาญจนกระทั่งทุกขณะจิตของเรากลายเป็นขณะจิตของความรู้สึกตัวการเกิดดับของจิตของเราก็จะชําระอาสวะไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงอาสวะยานเพราะอาสวะขยะยานเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปถึงเมื่อไหร่เพราะยานนัน้นหมายถึงว่าเสร็จสิ้นธุรกิจทั้งหมด นะพระอนาคามีก็ยังไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปถึงญาณตัวนี้นะพระอนาคามีก็เห็นการเกิดดับเท่านั้นนะทั้นั้นเมื่อไหร่ทำอาสกากยวานให้ถึงที่สุดเนี่ยก็หมายถึงว่าเสร็จธุรกิจของการชำระ ก, กิเลสทั้งหมดเลยดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่นึกคิดเอาไม่ได้ต้องได้ประสบด้วยจิตวิญญาณของตัวเองนะยันในพุทธศาสนาไม่ได้มียานเก้ายานสิบหกยานแปดยานสิบเหมือนเหมือนกับที่พระดรงา่านท่านแยกเอาไว้แต่มีแค่สามยาง คือรู้อดีตรู้อนาคตและรู้ปัจจุบันเห็นไหมรู้อดีตคือว่าสิ่งที่เราได้สังสมความคิดมาเนี่ยนานเท่าไหร่กี่พบกี่ชาติกี่มืน่นกี่แสงกี่กาพีกันเราได้สังสมไ้ความคิดมาเนี่ยใช่ไหมแล้วมันเกิดขึ้นมาได้งไงความคิดเนี่ยสกิมาจากรากรู้อะไรรู้และจะทำให้ความคิด เมื่อก่อนความคิดเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมแล้วมันดับไปไงเราก็ไม่เคยตามรู้มันเพราะเราไม่ได้เจริญสติไม่เจริญวิปันสนาเราก็ไม่รู้อย่างที่สงว่ามันดับไปแบบไหนระดับแล้วมันจะไปเกิดที่ไหนเราก็ไม่รู้แต่พอเรามาเจิอสติมันจะเข้าไปรู้สิ่งเหล่านี้ตอนแรกมันก็รู้รูปนามตามสมมุติไปก่อนจําเอาไปก่อนว่ารู้สึกยกมือรู้สึกอย่างนี้นะจําเอาถ้าไม่ยกมันรู้สึกอย่างนี้นะ ทำไปเรื่อยๆจงกระทั่งว่าความรู้สึกนี้สั่งสมมากขึ้นมากขึถึงวันหนึ่งมันไปเห็นการเกิดดับที่มาเห็นครั้งแรกที่ว่าสนามหนที่ทําให้เกิดอาการแบบขึ้นมาพอไปเห็นการเกิดดับเห็นครั้งที่สองจากนั้นมาระยะหนึ่งที่ว่าไปเอามือไปเก็บผ้ามาแล้วมันเกิดดับปุ๊กลงตรงนั้นไปเห็นการเกิดดับที่มันเป็นเองนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ก็ <c oughs> ทําความเพียรมาเรื่อยๆเพื่อชําระอาสวะของเรา แต่วันไปจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนี้เราก็ไม่รู้เราก็มีหน้าที่ทำไปเรื่อยๆถ้าสิ้นสุดเมื่อไหนมันจะบอกของมันเองเราไม่มีหน้าที่ว่าจะต้องไปกัเกณฑบว่าจะรู้วันนั้นจะหมดวันนี้ไม่มีหน้าที่แต่เราทําเหตุของไปเรื่อยๆเห็นไหมเพราะเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นสัจจะมันไม่ใช่จะมานึกมาคิดมาถึงมาตรองเอาอย่างที่คนทั่วไปคิดกันนะแต่มันเป็นสัจจะของมันเองมันเป็นสัจจะที่มีอยู่แล้วอะ เช่นว่าคุณไปเด็ดเอาถั่วที่มันแห้งมาลมาจากแดดมันแจกขึ้นมาเองด้วยคติธรรมเพราะมันแตกมันเป็นของมันเองใช่ไหมเมื่อแม่ไก่มันไข่ออกมาแล้วระยะหนึ่งบรรหมดไข่แล้วมันกบลูกไข่ของมันแม่ไก่มีหน้าที่ไหมต้องไปสักไปเสาะให้ไข่มันแตกออกมาไม่ได้เมื่อไข่นั้นมันได้รับอุณหภูมิเต็มที่ของมันแล้วลูกข้างในมันจะออกมาเองเพราะนั้นลักษณะอาการสิ่งเหล่านี้เป็นศัจธรรมที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ แต่ว่ามันจะเป็นขึ้นในใจคนหรือไม่นะแล้วแต่ว่าเราจะทําถูกกฎของมันไมเพรพระพุทธเจ้าท่านรู้กดอันนี้เป็นคนแรกแล้วถ้าการนํามาสอนคนก็รู้ตามลําดับจนสืบทอดมาถึงหลวงพ่อเทียนแล้วในภาะกรรมฐานในประเทศไทยเนี่ยที่มาพบมาเนี่ยไม่มีใครพูดช้าเหมือนหพ่อเทียนแล้วหพ่อเทียนท่านพูดแบบอาคอเป็นประกันเลยอ่ะถ้าคุณไปทําเรื่องนี้ถ้าคุณไม่รู้นะอาคอผมไปได้เลยใช่ไหม แล้วก็ผ่านอาจารย์กรรมฐานมาไม่รู้กี่ท่า น, นท่านไม่ได้พูดแบบนี้เลยนี่คือเรามั่นใจในหลักการของพระเห็นว่ามันถูกต้องว่าได้ผ่านหลักการอันนี้บาลจริงๆนะดังนั้นเองในช่วงเช้าวันนี้อามานําเรื่องนี้มาเป็นหลักประกันว่าเรื่องที่เรานํามาสอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ฉันคิดขึ้นเองเนะไม่ใช่เรื่องฉันจดจำมาแล้วมาสอนไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่เราได้ทํามาได้พิสูจน์มาเอาประสบการณ์มาบอกกัน นี่คือวิธีการเผยแพร่ของของพุทธศาสนาคือเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาบอกกันแต่ว่าประสบการณ์นั้นเราได้มาจากไหนก็ได้เอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามก่อนแต่คนส่วนใหญ่ไปไงไปอ่านไปศึกษาคําสอนพระุทธเจ้าแล้วจดจํามาแล้วเอามาสอนทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นในตัวเองนี่คือข้อผิดพลาดในการเผยแพร่พุทธศาสนาใช่ไหมแล้วแล้วเผยแพร่ไมรู้กี่หมื่นกี่แสนสำนักเราถามว่าพุทธศาสนาจเจริญไหม ไม่เจริญกับเสือ่อมเพราะเอาความจำมาสอนไม่ได้เอาความจริงมาสอนใช่ไหมเพราะฉะนั <c oughs> ้นตามหลักการแล้วเราจะต้องเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาฝึกฝนให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองก่อนจนกระทั่งความจริงนี้ปรากฏขึ้นในตัวเราแล้วเรานํำมาความจริงนี้ไปบอกคนอื่นนั่นถึงจะถูกต้องเรียกว่าให้รู้ให้เห็นตามพระพุทธเจ้าก่อน คือตามขุมอาจาัยที่ท่านบอกเราก่อนดังนั้นเองหลักการของพอเทียนจึงขยายไปอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนมาพิสูจน์ของจริงแล้วได้เห็นได้ประจักษ์แจ้งกับตัวเองได้เข้าใจกับตัวเองตามลําดับไม่มีอะไรซับซ้อนลึกลับซับซ้อนแต่ทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้เป็นขบวนการเป็นขั้นเป็นจอนเลยเป็นหลักวิทยาศาสตร์ทํางนามธรรมานะแล้วนั้นเองในช่วงเจดวันเนี่ยมาให้ให้ ให้มั่นใจเลยว่าหลักนี้ไม่ผิดแน่นอนแต่ว่าเราจะต้องอดต้องทนต้องทําอย่าไม่มีทางอื่นที่จะดิกเลี่ยงเลยเพราะมันเป็นเส้นทางเดียวนะเอกายณนมัคโคสัตตานนวิสุทติยาที่พระพุทธเจ้าทานตรัสเอาไว้ว่าเป็นทางสายเดียวที่จะชําระจิตให้ชําระจิตให้เาราบริสุทธิ์ เพราะว่าท่านนอยทาอย่านไม่ใช้คําว่าสัตตานังวิสุทธิยาเพราะในจิตใจของเรานะ่ยมีความเป็นสัตว์มาไม่รู้กี่พวกกี่ชาติแต่การจะชําระวิญญาณทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายที่ก่อนที่จะจะมาเป็นคนเนี่ยมันจะบริสุทธิ์สะอาดได้ไม่มีอะไรนอกจากตัวสติปัฏฐานเห็นไหมท่านไม่ใช้เขาว่าจิตานังวิสุทธิยาสัตว์มนุสสางวิสุทธิ์่ไม่ใช่แต่ท่านใช้สัตตานังวิสุทธิย า, า, น ใ, า, นยาในความของเราเนี่ยเเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเรียกว่าสัตว์มนุษย์ใช่ไหม ก่อนหน้าเราจะเป็นสิงสาราสาราัตว์ัวกไปช่างมาพอไปฉันเล็กสัตว์น้อยเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าแต่ละวิญญาณสัตว์เหล่านั้นก็ยังฝังแฝงฝังอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเราสามารถทําอะไรได้อย่างสัตว์ในบางครั้งใช่ไหมเพราะเราเคยเป็นมันมาก่อนแต่ตัววิญญาณที่จะบริราสุทธิ์สะอาดต่อเมื่อมีสติสัมปชัญญะเข้าไปชําระแล้ววิญญาณของสัตว์ทั้งแายทั้งปนที่มันติดจิตใจเรามามันจะสะอาดตอนนั้นเราก็จะเริ่มเป็นพระ อดีญเจ้าเห็นไหมข้ามไเลยแม้แต่สัตว์มนุษย์ก็ยังเป็นสัตว์อยู่จะพ้นจากความเป็นสัตว์ขึ้นมาเทวดาก็ยังเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งพระพรคมก็ยังเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราเกรดบอิงบิแปลว่าสัตว์นิว i ายบีอิงเทวดารดบิพระพมใช่ไหิวแมนบีอิงมนุษย์กบอิงเฮบีบอบเป็นบหมด จนกระทั่งเราพ้นภาวะแม้แต่ผมก็ยังเป็นเกรดบีอิงเป็นผ้ารมเป็นสัตว์อยู่เมื่อไหร่ทีาพ้นทั้งเทวดาอินพรหมมนุษย์ขึ้นไปพ้นอย่างนั้นเป็นสัตว์ประเสริฐเรียว่านอเบอรบีอิงเหมือนกันก็เรามาเรียกว่าพระอริยเจ้าเห็นไหมอันนี้คือบรรยายทางศาสนาให้เราเห็นดังนั้นอาตมาว่างานไหนก็ตามถ้ามาเข้าไปทาแล้วามาต้องการบ่อยคนจริงจะคนเดียวก็ตาม เพื่ออะไรเพื่อให้เขามั่นใจเพราะวท่ที่พวกเราจะเดินทางมาพบกันตรงนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะมันมีการวางแผนมาก่อนมีการตั้งเจตนามาก่อนแล้วก็คนลําพูนเป็นหมื่นเป็นแสนนะ่ะแล้วจะมาได้สักกี่คนแล้วคนที่นี่ก็มีลําพูนคนล้ำภูนสักกี่คนแสงพวกเราก็มาจากต่างที่ต่างถิ่ น, น, นด้วยกันแทบกลางนั้นใช่ไหมมีลําพูนกี่คนหนึ่งสองสามสี่อ่าสีห้าคนนะหกคนเ ห, ห็นไหม รูปูดีแท้นะนั่นนั่นนั่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องบางอืน่นไม่ใช่เรื่องที่เราคิดอยากจะทำก็ทำเลยมันต้องมีที่ไปที่มาจนมาถึงหน้าวันนี้เราถึงมาพบกันเพราะฉะ น, นั้นจึงไม่อยากจะให้เล่นนะแต่ก็ไม่อยากจะให้จริงเข้าใจไหมยากอยากให้ทำด้วยความเข้าใจคุณเล่นคุณก็ไม่ได้ประโยชน์คุณจริงคุณก็ผิดทาง แต่เล่นก็ให้รู้ว่าเล่นจริงก็ให้รู้ว่าจริงเท่านั้นอ่ะเป็นใช่ได้นะเพราะั้นชาวันนี้หมดเวลาแล้วนะก็ขอบูทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทักหลายที่จะนำไปศึกษาไปปฏิบัติอย่าเล่นแล้วก็อย่าจริงแต่ขอให้รู้ว่าเล่นก็ให้รู้ว่าเล่นจริงก็ให้รู้ว่าจริงอันนั้นคือทางสายกลางของการปฏิบัติขอให้ความตั้งใจนี้จงเป็นไปเพื่อให้เห็นให้เข้าใจ ตนเองในเวลาอันใกล้นี้ด้วยคนทุกคนทุกท่านถือ